สติที่ไวเนี่ยเพียงแค่กระเพื่มนิดหน่อยก็รู้แล้วแต่ถ้าสติไม่ไวเนี่ยก็ต้องกระเพื่มแรงๆถึงจะรู้แต่เมื่อสตินี้ได้ได้คุ้นเคยกับอาการกระเพื่มของจิตอยู่บ่อยๆก็จะจําไดนะ้เพียงแค่กระเพื่มนิดเดียวก็จะรู้เมื่อรู้แล้วก็นะแม้จะคิดเพียงแป๊บๆเดียวเนี่ยพอพอสติรู้เข้านะจิตมันก็หยุดคิดไปเอง ไอการที่จิตลักคิดเนี่ยมันกเหมือนกับนกขโมยนะขโมยเนี่ยเวลาเจ้าบ้านนี่เห็นเนี่ยว่ามันกำลังขโมยหรือกำลังเข้ามาปนของในบ้านพอมมนรู้ว่าเจ้าของเห็นหรือเพียงแค่เจ้าของเปิดไฟนะมันก็เผ็และเพราะว่ามันกลัวที่จะมีคนเห็นเจ้าของบ้านไม่ต้องมีปืนไม่ต้องมีอะไร